พระธรรมเทศนาแผ่นที่61ดลำดับที่14โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่9กรรกรกฎาคม2557มีชื่อเรื่องว่าฝึกให้แก่กล้าก่อนจะมาเป็นสมพานอภะ เวนซาลาต้องไปดูป้ายที่ขึ้นป้ายด้วยนะผู้ที่อยู่เวนสาลาต้องขึ้นไปดูป้ายที่เขาเขียนไว้ด้วยไม่ใช่ว่าหลับหูหลับตาอยู่เวนซาลาเวลาแขกคนมาใครเป็นใครก็ไม่ไม่รู้เพราะเขาขึ้นไว้ที่นั่นเน่เป็นใครมาวันที่เท่าไหร่กี่คนจะต้อง ได้รับรู้รับทราบบางทีก็เจ้านายใหญ่เขาเขานัดว่าหลวงพ่ออยู่ไหมวันที่เก้หลวงพ่อก็เอออยู่เลยถึงวันที่เก้าจะเข้าไปเวลาเท่านั้นเท่านี้นะพระเวนไม่ดูพอมาหลวงพ่อไม่อยู่หลวงพ่อพักพรทั้งที่นัดเขามาอย่างนี้เสียหมดไปว่าพระเวนสรามไม่ได้เรื่อง พระเวณสลาเนี่ยเราดูดูอยู่นะเดี๋ยวนี้นะดูอยู่บางทีบางองค์บางรุ่นน่ยขาดความรอบขอบแยกแยะคนไม่ออกคนกลุ่มไหนควรจะเข้ามาควรจะไปบอกหลวงพ่อกลุ่มไหนคนกลุ่มไหนมาแล้วมาเข้ามาเที่ยววัดวัดเฉยเฉยจะไปบอกหลวงพ่อมารับมันก็ไม่ถูกเพราะนั้นแสดงว่าพระในวัด พระเวนศาลาเนี่เซอร์ไม่รู้จักแยกแยะแยกแยะคนไม่ออกมองคนไม่ออกอย่างนั้นก็มีนะเพราะนั้นพวกพระเวนศาลานะผู้ที่เป็นเวนศาลาต้องแยกหลวงพ่อให้ใช้เฉาให้ใช้สติใช้ปัญญาไม่ใช่ว่าให้ใช้ความโง่ความซื่อบื้อ ถึงหลวงพ่อจะพักผ่อนแต่ว่าเป็นแขกที่ในนัดเขาไว้แล้วหรือว่านัดบอกไว้แล้วอันนั้นมันก็ต้องไปขึ้นไปบอกหลวงพ่อเออหลวงพ่อแขกที่หลวงพ่อนัดไว้นะั่นมาตามกรมรถแล้วนะไม่ใช่ว่าหลวงพ่อขึ้นไปแล้วก็จนถึงบ่ายสองโมงจะขึ้นไปบอกบางทีแขกเต็มศาลา หลวงพ่อก็ไม่รู้ว่าแขกมีมาบางทีหลวงพ่อก็ทําธุระภารกิจส่วนตัวคิดว่าไม่มีแขกพอลงมาที่ไหนได้พระเวียนสลาไม่ได้เรื่องอย่างน้อยก็ต้องบอกเวีต้มน้ําร้อนขึ้นไปไปบอกหลวงพ่อเลยนะแขกมามากนะบ่ายได้บ่ายสองโมงแล้วคนมากวันนี้ก็น่าจะขึ้นไปบอกอย่างนั้นแต่ตามไม่จริงถ้าว่าไม่จําเป็นจริงก็ต้องแยกอีกว่าถ้าเข้ามาไม่รู้จักเวลา แต่คนเป็นแขกทั่วไปที่มาพบหลวงพ่อก็บอกให้เขาขึ้นไปทางอื่นเพราะว่าหลวงพ่อยังพักผ่อนอยู่ไม่ใช่ว่าจะกวนตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้มันต้องได้ใช้เฉาได้ใช้จิตใช้ปัญญาทั้งนั้นแหละอันนี้เราเคยอยู่กับองค์หลวงตามาแล้วที่เราพูดที่นะเราไม่ได้พูดโดยพระการเราไม่ได้พูดด้ว ย, าา เ, ดดวยเขาอยากไปขย้อนมาสรุปแล้วก็คือให้ใช้ความรอบขอบ ใ, ใช้สติปัญญาแยกแยะคนให้ออกว่าคนคนนี้บุคคลกลุ่มนี้สมควรจะได้เข้าพบไหมสิ่งเหล่านี้พระเวีนสลาต้องรอบขอบนะไม่หลวงพ่อเองไม่อยากจะเห็นพระซื้อบื้อซาบานในวัดของหลวงพ่อเพราะนั้นฟังเอาไว้นะหลวงพ่อสอนให้ใช้ปัญญา ถ้าต่อไปภายภาคหน้าเมื่อไปเป็นสมผานก็จะได้รอบครอบอย่างหลวงพ่อนี่ได้ฟังจากองค์หลวงตามาอย่างไรหลวงพ่อนำมาใช้เกือบหมดเพราะเหตุไรเพราะว่าหลวงตาสอนวิชารอบครอบให้กับหลวงพ่อพอสมควรหลวงพ่อกันนะไม่ใช่สอนเพียงเท่านั้นนะไม่ใช่สอนเพียงอยู่ในวัดของท่านเวลาเราเข้าไปกราบท่านเป็นส่วนตัวเข้าไปกราบท่านเลยทุกครั้ง เราไม่เคยไปที่ไหนพอไปกราบหลวงตาก็ขึ้นกุติท่านเลยพอไปเน่ะท่านก็สอนวิชาสมพานให้ควรจะทำอย่างนั้นควรจะพูดอย่างนี้ควรจะมองคนอย่างนั้นควรปฏิบัติตนอย่างนี้หลวงตาท่านสอนหมดที่เราเข้าไปหลวงพ่อก็เลยบอกว่าเข้าไปทีไรหลวงตาสอนมวยสอนวิธีชก ต, งงต้องชกอย่างนั้นต้องชกอย่างนี้เขามาอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้ ى, ทั้งเขามีเล่เหลี่ยมมาเราก็ต้องมีเล่เหลี่ยมถ้าเขามาซื้อเราก็ต้องซื้อถ้าเขามาซื้อเราจะไปใช้เล่เหลี่ยมไม่ได้ไม่เป็นธรรมถ้าเขาไ ม, ม่เล่เหลี่ยมเราจะไปใช้แบบซื้อไม่ได้เราเสียเปียบแปลว่ากิเรตเยียบหัวเราท่านสอนให้หมดวิชาวิชารอบขอบ เพราะนั้นหลวงพ่อเองไม่อยากจะเห็นพระหลวงพ่อนอพูดอะไรมีแต่ซื่อบื้อซาบ้าโง่โงเซ่อเซ่อหลวงพ่อไม่อยากจะเห็นอยากจะเห็นพระของหลวงพ่อเนี่ยแพรวพร้พราวด้วยจิตด้วยปัญญาแต่ถึงยังไงให้อยู่ในหลักพระธรรมที่ไหนไม่ใช่ว่าแพรวพร้าวไปโน่นไปหาแผลนั่นไปหาขอนี่ไปหาชักชวนคนนั้นคนนี้หาเงินกับคนนั้นหาเงินกับคนนี้ อันนั้นอย่าให้เราได้ยินถ้าเราได้ยินเมื่อไหร่เราไล่นี้ออกจากวัดทันทีเราครบไม่ได้พระเช่นนั้นลูกศิดเช่นนั้นเพราะนั้นขอฝากเราบอกไว้ฮนะกับพวกเราให้เรารู้รับทราบพร้อมกันนะแล้วก็วันนี้หลวงพ่อเองได้นัดพระทุกองค์ประมาณเที่ยงครึ่งประชุมกันพระหลวงพ่อตัดสินใจก่อนหน้านี้ว่าใครจะไปอยู่วัด รวมทำวัดใหม่ที่อำเภอเพนก็ได้บอกหมายกันแล้วแต่ท่านนัตนะก็พ่อป่วย้าเมื่อพ่อป่วยแล้วท่านนัตนะขึ้นมาก็คงอยู่ไม่เต็มที่เดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงนั่นก็คืออำเภอเพนที่เราสร้างมันเป็นหน้าต่างของวัดแลาไปทำแบบเล่นๆเสียหายเพราะนั้นก่อนที่จะใครจะไปอยู่ก็ต้องทำความเข้าใจกันก่อน ไม่ใช่ว่าเราตั้งลัตนะขึ้นไปไปเป็นสมภาร น, นะไม่ใช่นะไม่ใช่สมภารนะเพียงแต่ให้ไปอยู่ถ้าไปอยู่แล้วจะเป็นใครก็ตามเทวดาชั้นไหนก็ตามไปอยู่แล้วไม่ได้เรื่องหลวงพ่อก็จะต้องอูจจดเสียหายไม่ใช่ว่าผู้ใดใครผู้หนึ่งแะแต่ถ้าไปอยู่แล้วเออเอาดีเป็นผู้นำได้ดีเป็นตัวอย่างได้ดีเป็นที่ยอมรับ ถึงใครๆจะไม่ยอมรับก็ตามแต่ว่าอยู่ในหลักพระธรรมนี่ไงรู้จักประสานรู้จักคู่คนเออนนั้นดีแต่อย่าไปคิดว่าวัดใหม่เนี่ยจะเป็นสถานที่ภาวนาไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เป็นคขายๆว่าไปแสดงวิทยายุทธถ้าใครมีวิทยายุทธเออเอาไปแสดงแต่จะไปภาวนาเนี่ยไปรับหูรับตายา เพราะว่าสถานที่แห่งนี้กำลังเป็นสถานที่ก่อสร้างสารวนวุ่นวายกับคู่คนที่มาเกี่ยวข้องมากเพราะนั้นผู้ที่มีทุนอยู่แล้วมีหลักใจอยู่แล้วมีทุนอยู่แล้วจึงจะไปอยู่นัสถานที่แห่งนี้ถ้าหาว่าผู้ใดที่จะไปดึกดอกก่อใหม่อย่าไปเลยไปกระจีพายลุงพ่อผูดด้ใดอย่างนั้นแต่ลุงพ่อจึงสรรหาพระที่ว่า พอมีอายุพรรษาพอรู้เรื่องที่จะเข้าไปอยู่อย่างน้อยก็ประคับประคองตัวได้ควรจะไปอยู่วัดใหมท่ที่เริ่มสร้างการสร้างวัดใหม่ก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละมันไม่เหมือนวัดของของเราวัดของเราแปลว่าเข้ารูปเข้ารอยแล้วอยู่ในความสงบแล้วไปอยู่ไปภาวนาตรงไหนก็ได้มีแต่ว่าพระกเกียรเท่านั้นละ่ะ ขี้เกียจภาวนาพระไปหาคุยกันฮ่าอันนั้นก็อีกส่วนหนึ่งแต่อย่างที่วัดที่สร้างใหม่นะไม่เป็นอย่างนั้นกุฏิก็มองเห็นกันจะเดินจะกลมก็มองเห็นกันเสียงอะไรก่อสร้างสนันบันไหวคู่คนเข้ามาเกี่ยวข้องมันมองเห็นกันเพราะเหตุไรเพราะป่าของเรายังปลูกยังไม่เป็นป่านี่แหละอันนี้ก็คือวัด ที่สร้างใหม่และก็พร้อมกันก็หลวงพ่อก็อยากจะทาความเข้าใจ เ, าเมื่อไปอยู่พระวัดใหม่แล้วพระปฏิโมกมีไหมอย่างอาจารย์หน่อยเราก็ขอแรงท่านท่านหน่อยอามาทั้งสองปีแล้วมาช่วยงานอยู่เนี่ยหลวงพ่อก็น่าเห็นใจไม่ใช่หลวงพ่อหลับหูหลับตาใช้ลูกศิษย์ลูกหาไม่ลืมหูลืมตาไม่ใช่หลวงพ่อก็คิดเหมือนกัน ถ้าหากว่าไม่มีท่านหน่อยมาวางแผนเรื่องงานพวกนี้ก็ทำงานไม่ได้อีกวางแผนไม่เป็นอีกเพราะหลวงพ่อเนี่ยเคยหลวงพ่อโง่ๆเสยๆนะเรื่องการวางแผนงานหลวงพ่อมองอมองก็เห็นได้แต่นี่จะให้หลวงพ่อไปวางแผนมันวางวางไม่ได้เพราะเกี่ยวข้องกับศรัทธาญาติโยเต็มมืออยู่แล้วน ะ, เ, ะเพราะนั่นก็ต้องหาผู้ที่วางแผนงาน วางแผนงานเป็นแต่มันวางแผนพวกเราไม่แต่วางแผนโกโก้โกาแฟข้าต้มขนมเออวางแผนพอไดอ้แต่จะวางแผนงานเนี่ยจะใช้จะทำยังไงงานจริงจะก้าวเดินในการก่อสร้างอำนวยความสะดวกในวัดออโดยมากมันหาผู้วางแผนยากนะเออพราะนั้นจึงขอร้องออบอกท่านหน่อยมาช่วย ด้วยในช่วงนี้เมื่อข่าวจำเป็นนี่แหละอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งแต่เมื่อจวนจะเข้บพรรษาอย่างนี้เนี่ยเราก็ควรจะแยกแยะพระไปจำพรรษาในวัดท่านหน่อยอย่างไรเพราะท่านทิ้งวัดมานานแล้วก็เนี่ยจะเอาอยัางไงอันนี้ก็มันจะได้ปรึกษาปารบกันวางแผนกันมันต้องเ อ, อ, อื้อเฟื้ออื้ออารีต่อกันทางพระในวัด แต่ถึงยังไงถึงจะใครจะไปอยู่ที่ใดหลวงพ่อบอกเลยเลยว่าหลวงพ่อไม่ได้ลังเกียจเดียดสันลูกศิษย์ลูกหาน้องนุ่งทุกองค์ให้ความรักเมตตาทุกองมีอะไรเข้ามาหาได้พูดได้หลวงพ่อนี่ที่จะให้ไปอยู่กับใครกับใครๆกับเหมือนกับลูกๆควรจะไปอยู่ตรงนี้ได้ไหมก็ ค, คิดแล้วคิดอีกเหมือนกันควรจะวางที่จะให้ใครไปอยู่อย่างที่ท่านหน่อยจะหน่อยเหมือนกันน่ แต่ตามไม่จริงก็ถ้าจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็ไม่เหมาะเพราะท่านไปเป็นสมภารแล้วดึงเข้ามาให้มาช่วยงานในวัดของเราเนี่ยเหมือนกเราเห็นแก่ตัวแต่จะทํายังไงได้ก็เพราะเราควรจะเห็นแก่พัสสานานะควรจะเห็นแก่วัดวาศาสานานะพราะคนที่มาเกี่ยวข้องวัดของหลวงพ่อเนี่ยอย่างที่เห็นมากมายมหาศาลแต่พอเข้ามาแล้วอํานวยเครืวาอํานวยความสะดวกไม่เพียงพอ อันนี้เราควรจะช่วยๆกันคิดนะหลวงพ่อจึงได้บอกได้กล่าวจึงได้ดึงเข้ามาช่วยการช่วยงานอย่างพวกลูกลูกหลานๆที่เขามาบวชใหม่ก็เหมือนกันให้ฟังเอาไว้สิ่งเหล่านี้พวกล้อเปาแปะแปะมันไม่เท่าไหร่ไปเป็นสมพานตายเอาตายเอาต า, าตไม่จริงมันต้องฝึกวิทยายุทธ ฝึกความรอบคอบฝึกอะไรซะก่อนมันไม่สายเกินไปหรอกใครอยากจะไปไปเป็นสมผานแต่ น, นี่เราเราเห็นนะเราดูดูแล้วมันขวางหูขวางตาบางทีถึงเราถึงข่าวพูดเราก็ได้พูดให้ฟังแต่โดยมากเราก็ไม่ค่อยได้พูดพวกเราท่านทั้งหลายได้ยินไหมคาอย่างนี้ต่อไปภายภาคหน้าหลวงพ่อนับวันแต่จะเท่าแก่ชาลาลงไปเรื่อย เดี๋ยวนี้ก็อายุ70ปีแล้วนะแล้วต่อไปเรจะทำยังไงก็ต้องมอบหมายให้กับลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อเองไม่มอบให้กับใครไม่ได้มอบหมายให้กับผให้กับผู้ใดใครองค์หนึ่งมอบให้กับคณะให้ช่วยกันคิดเป็นคณะช่วยกันคิด เ, เรื่องนี้เป็นยังไงถูกต้องไหมไปทไํารรมไหมมอบให้กับพวกเราทุกๆองค์ ที่เขาเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อแต่ให้ถึงยังไงให้ฟังกันผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่ผู้น้อยเป็นผู้น้อยผู้ใหญ่ก็อย่าเป็นดันทุลังทีเดียวผู้น้อยก็เหมือนกันหัวชนฝาอย่างนั้นไม่ถูกหลวงพ่อไม่เห็นด้วยทั้งสองฝ่ายต้องมีเหตุมีผลต้องปรึกษาปารบกันอันนี้ควรมีควรอย่างไรถูกต้องไม่ถูกต้องอย่างไรนี่แหละหลวงพ่ออยากจะให้ลูกน้องหรือลูกศิษย์ของหลวงพ่อี่ทุกองค์ อยู่ในหลักเหตุผลแต่เรื่องอติเลกาลาบหรื อ, ร อ, รอะลาบยศสรรเสริญภายนอกอย่าไปมุ่งหวังถ้าพวกท่านทําดีเสีอย่างเดียวเท่านั้นมันรีไปหมดอย่างหลวงพ่อเห็นไหมพาลูกศิษย์ลูกหาถ้าพวกท่านเปิดเทปทีหลังย้อนหลังจะได้ยินว่าหลวงพ่อไปทําบุญถาวายเจตุปัจจัยหลวงตาเท่านั้นเท่านี้นะในช่วงนั้นหลวงพ่อก็ไม่ได้สร้างอะไรมากมาย มีแต่ศาลาหลังนี้เท่านั้นนอกนั้นก็นมีแต่สร้างแบบประหยัดประหยัดจะตุวปัจจัยมา ก, กระตาไว้ลงตาแล้วลงพ่อก็คิดว่าน่ะถ้าพ่อของเราเออมีชื่อเสียงโด่งดังเราในฐานะลูกจะไปที่ไหนก็ต้องดังด้วยกันต้องไปตามแนวแถวของพ่อพาพาดาเดนินถ้าพ่อของเรา ไม่ดังเสียอย่างไม่มีใครรู้จักเสียอย่างเราจะเป็นโดดเด่นขึ้นมาได้อันนั้นก็ยากเเพราะนั้นหลวงตาท่านพาดำเนินหลวงตาท่านพาประพฤติธปฏิบัติพาแนวแถวของหลวงตาพาดำเนินเราคนนั้นเดินตามแต่บัดนี้เราเป็นยังไงแต่เราก็ไม่ได้ด้อยกับใครทั้งหมดอันนี้แหละหลวงพ่อมั่นใจว่าเนี่ยเดินตามแนวแถวพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วอย่าไปคิดว่ามันจะอด ถ้าว่าแซงหน้าแซงหลังแซงซ้ายแซงขวาเหมือนกับหมาเนี่สวบนั่นสวบนี่อยากจะได้นู่นอยากจะได้นี่ผลที่สุดนั่นแหละความเสียหายเกิดขึ้นมาในหมู่ในคณะเพราะฉนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายนะพูดทั้งนี้ทางนี้ทางนั้นให้ฟังนานๆนนทีหลวงพ่อจะได้พูดคําเช่นนี้ให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังนะเพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายพระที่เข้ามาศึกษาทั้งหลาย ก็ามาอยู่กับหลวงพ่อทั้งหลายสรุปแล้วคือเป็นพระดีอยู่ในหลักพระธรรมวินัยคิดดีทำดีพูดดีนั่นแหละพวกท่านจะเจริญ เ, เมื่อเจริญทางธรรมนะ่นโลกมันไหลามาเองอติเลขาลาบมันไหลามาเองลาบยศสรรเส ร, ริญ ม, มันไหลามาเองถ้าพวกท่านทาตัวเร็วๆแล้วนะ่ะแล้วจะดีได้ยังไงดีแต่เปลือกนอก เหมือนกับทําหีบศพให้ผีเน่าอยู่ลักษณะอย่างนั้นที่หลวงพ่อเคยพูดให้ฟังไม่รู้ติ ก, กี่ครั้งนะพวกเราให้อยู่ในหลักพระธรรมวินัยวันนี้จะได้ทางอําเภอเขาจะได้วางศิลาฤกษ์สร้างรอห้านะวันนี้นะเพราะฉนั้นหลวงพ่อฉันยังหันเสด็จหลวพระที่เกี่ยวข้อง89องค์ก็พยายามล้างบาทรีบล้างบาทรแล้วรับรถเขาค ง, งจะมารับไปในงานนะวันนี้นะ ประมาณ9นาฬิกาเขาว่าน ะ, ะรับพร